5. ปธมะวิตถารสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดารสูตรที่หนึ่ง้ปดสิบห้าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตทินซีถึงห้าปัญญินซีอินทรีย์ห้าประการนี้ ภิกษุทั้งหลายบุคคลหนึ่งเป็นพระอาหารหันต์เพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปริณิพยีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอาหารหันต์นั้น 3. เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปริณิพยีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่า พระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีนั้นสเป็นพระอนาคามีผู้อสังขาราปรินิพพายีเพราะอินทรีย์อ่อนกวา่าพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีนั้น 5. พระอนาคามีผู้สสังขาราปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกวา่า พระอนาคามีผู้อสังขาราปริพายีนั้น6เป็นอนาคามีผู้อตังโสโตโอกนิทะคามีมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้สังขารปรินิพายีนั้น7เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามี ผู้อุดทังโสโตอกักะนิทคามีนัน้น8เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสรกทาคามีนัน้น 9. เป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น10เป็นพระโสดาบันผู้ศัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบัน ผูธมานุสารีนั้นปฐมวิตรธรรสูตรที่หจบหกทุติยะวิทธาธรรสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีโดยพิสดารสูตรที่สอง6ีิกษุูทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้ อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีถึงหปัญญทรีอินทรีห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคล 1. เป็นพระอาหารหันต์เพราะมีอินทรีห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้นสามเป็นพระอนาคามีผู้อุปหจจะปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีนั้น 4. เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปริิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามี ผู้อุปหจจปริณิพายีนั้นห้าเป็นพระอนาคามีผู้ ส, สังขาระปริพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อสังขาระปริพายีนั้น 6. เป็นพระอนาคามีผู้อัทาังโสโตอัะนิทค า, ามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามี ผู้ศ ส, สังขาราปริบนิพพายีนั้น7เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตโอกะนิทธาคามีนั้น8เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 9. เป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารี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 ทุติยวิตตารสูตรที่6จบเจตติยวิตตารสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดารสูตรที่ส487ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. สัตทินรีถึงหปัญญีซีอินซีห้าประการนี้ภิกสุทั้งหลายบุคคล 1. เป็นพระอาหารหันต์เพราะมีอินซีห้าประการนี้ครบท้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพายีเพราะมีอินซีอ่อนกว่าพระอาหารหันต์นั้น 3. เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพายีนั้นสเป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุปหจจะปรินิพายีนั้นห เป็นพระอนาคามีผู้ ส, สังขาราปริทิพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกวา่าพระอนาคามีผู้อสังขาราปรินิพายีนั้น6เป็นพระอนาคามีผู้อุตทางโสโตอกนิทะคามีเพราะอินทรีย์อ่อนกวา่าพระอนาคามีผู้ ส, สังขาราปรินิพายีนั้น เจ็ดเป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอกันิทาคามีนั้นแปดเป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้นเก้าเป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น เป็นพระโสดาบันผู้ศัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ธรมานุสารีนั้นบุคคลผู้บำเพ็ญอรหัตตมักให้บริบูรณ์ย่อมได้บรรลุอรหัตผลบุคคลผู้บำเพ็ญมักทั้งสย่อมได้บรรลุผลทั้งสามดังกล่าวนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอินทรีย์ห้าประการว่า ไม่เป็นหมันเลยตติยะวิตถารสูตรที่เจ็ดจบ